ก็ไม่สามารถจะแก้ไขอารมณ์ได้ฉะนั้นผู้ปฏบิบัติบางคนที่สาธุชนทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าไปทำสมาธิแล้วจะเป็นบ้าถ้าใครนั่งหลับตาแล้วก็จริตจะไม่ดีอันนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติผิดก็มินเมต์ต่อสติไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าที่ปฏิบัติไปแล้วเกิดเสียคนไปก็แย่ทั้งนี้เพราะว่าผู้แนะแนวการปฏิบัตินั้น ไม่เข้าใจแนผิดทางแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จริงในเรื่องการปฏิบัติก็เลยไม่สามารถจะแก้ไขาอารมณ์ได้ว่าเมื่อปฏิบัติไปมีอารมณ์ชนิดเกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ยังไงถึงจะหายเมื่อแก้ไขไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็ไหว้เขวผลสุดท้ายก็มีอาการเหมือนกับคนวิกลจริตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแล้วก็เลยทําให้ผู้ที่ไม่เข้าใจโทษว่า การปฏิบัติกรรมาฐานนั้นน่ะถ้าทําไม่ดีอาจจะเป็นบ้าหรือผู้ปฏิบัตินั้นใกล้กับคนเป็นบ้าเข้าไปซึ่งอันนี้เป็นการเข้าใจผิดมากเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา น, นั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความเป็นบ้าแต่ว่าปฏิบัติเพื่อให้หายบ้าคนบ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วกว็าหายบ้าไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะเป็นบ้าหรือวิกลจริขึ้นมา เพราะว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ต้องใช้สติผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นเราเรียกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่สมบูรณ์อย่างปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอยู่ในฐานะที่สติไม่สมบูรณ์ผู้ที่สติสมบูรณ์คือพระอรหรันต ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอรหันต์เนี่ยสติเราไม่ค่อยสมบูรณ์บางครั้งก็ขาดหายไปบางครั้งก็มีกลับคืนมาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ของปุทุชนเนี่ยท่านจึงบอกว่าเหมือนกับคนบ้าในมาลีท่านใช้คําว่าปุถุ ช, ชโนโออุ ม, มัตปะโกวิยะแปลว่าวความเป็นอยู่ของปุทุชนนั้นดุจ ด, ดังคนบ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หัวเราะเดี๋ยวเราก็ร้องไห้ เดี๋ยวเราก็มีความสุขเดี๋ยวเราก็มีความทุกข์ซึ่งร้อยแปดพันอย่างที่ชีวิตของปุถุชนจะมีซึ่งความเป็นอยู่ของปุถุชนนี้จึงอุปมาเหมือนกับคนบ้าถ้าเราไปเที่ยวปากคลองศาลไปเที่ยวโรงพยาบาลโรคจิตเราก็จะวินิจฉัยตัวเองลาบากว่าเอใ๊ใครบ้ากันแน่ก็ไม่รู้เพราะว่าคนในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเราเนี่ยบ้าเขาไม่บ้า แอ้เราก็บอกว่าเข้านนั่นแหละบ้าเราไม่บ้าก็เลยไม่รู้ว่าใครบ้ากันแน่แม้แต่หมอที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ยังสงสัยเหมือนกันบอกไอ้ผมน่ะอยู่เป็นานๆเขาจะสงสัยเหมือนกันว่าผมบ้าหรือคนไข้ผมบ้าหรือแม่เพราะว่าวินิจฉัยก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าใครบ้าอาตมาก็บอกว่าคนที่ยังเป็นปุตุชนเนี่ยก็บ้าทั้งนั้นนหะบ้ามากบ้าน้อยก็บ้ากันไปคนละเรื่องแล้วแต่ใครจะบ้าในเรื่องไหน ซึ่งก็แล้วแต่ผุ้ตุชนเหล่านั้นจะรุ่มหลงกันเพราะปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าคนดาวนี่บ้ากันหลายอย่าง <c oughs> อตมาเคยเห็นคนวิกฤติจิตอยู่คนหนึ่งแกเซี้วเก็บพวกภาชน ะ, ะเปล่าๆเนี่ยกระ้องนมเลยเศษผ้าเลยแกะสะพ้ายพลุงพลังเต็มทีหมดเราก็ดูบอกแมมคนนี้นะโมบ้าสมบัติอะไรๆก็เก็บ คลองคอจนกระทั่งเต็มทีท่หมดนี่ก็มาอีกประเภทหนึ่งกลั บ, บมาดูโยมเดินข้ามทางมาลายบางคนก็แต่งตัวยังกี่เกไม่รู้อะไรต่ออะไรคลองคอเต็มทีท่หมดเฉพาะลูกประคำนะ่ะไม่รู้กี่เส้นเต็มคอทีแล้วก็วเอคนที่เดินเก็กบกระป๋องเก็บเศื้ผ้ากับคนที่แต่งกายด้วยอาภรรึงรังอย่างนี้ก็คงจะมีเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกัน <laughs> <laughs> ไม่ต่างกันมากนะักเป็นปต่เพียงว่า คนที่บ้านี่แกแกบ้าเอากระป๋องอาสมธัติอะไรต่างๆเก่าๆเนี่ยมาตกแบ่งร่างกายแกส่วนไอ้เราเนี่ก็เอาของตานีดหน่อยมาคล้องคออยู่ดีๆเอาของมาถ่วงคอทั้งเยอะแยะหูเราอยู่ดีๆก็สัมผัสยาต้องคืบไม่รู้ว่าใส่กันไปทําไมเนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยไม่รู้ว่าใครบ้ากันแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราวินิจฉัยยากฉะนั้นปฐมมาเคยพูดอยู่เสมอว่า เรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาเนี่ยทําให้คนหายบ้าไม่ใช่ทําให้คนเป็นบ้าแต่ว่าเราจะต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าหลักการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนานี้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรเนี่ยตามาจะบรรยายโรหกีตที่ท่านได้วางไว้ในวิสุทธิมัร์เนี่ยมีอยู่สี่สิบวิธีในสี่สิบวิธีนี้ ท, ท่านทั้หลายปฏิบัติด้วยตนเองได้คือสามารถที่จะไปปฏิบัติได้แต่ว่าถ้ามีอารมณ์อะไรสงสัยเกิดขึ้นมาถามได้สมาจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติที่เป็นอารมณ์ภายในวิธีปฏิบัติภายนอกเนี่ยเราก็ปฏิบัติกันได้ <c oughs> มีทั้งหมดสี่สิบวิธีเอ่อที่ที่เราจะหยิบเอาวิธีใดวิธีหนึ่งไปปฏิบัตินั้น วิธีเหล่านี้ท่านวางแนวไว้โดยถูกต้องคือตามคำภีวิสุทธิมรกแล้วถูกทั้งหมดหรือในแนวปฏิสัมพิธามะที่พระสารีบุตรท่านอธิบายไว้น่ะถูกต้องถ้านอกจากนี้แล้วไม่รับรองว่าจะถูกต้องเนี่ยเป็นหลักการทำสมาธิที่ท่านได้วางไว <c oughs> ้ตอนที่เราจะศึกษาถึงการปฏิบัติ หรือการทำสมาธิจิตแต่และวิธีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงความหมายของคำว่าสมาธิก่อนว่าสมาธิเนี่ยคืออะไระคำว่าสมาธินี้ท่านให้คำจำกัดความไว้ถึงคำว่าสมาธินี้คือท่านบอกว่า กุศลจิตที่มีอารมณ์เป็นดวงเดียวชื่อว่าสมาธิอย่าลืมนะกุศลจิตที่มีอารมณ์เป็นดวงเดียวชื่อว่าสมาธินี่คาจำกัดความสั้นๆว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรความหมายของคำว่าสมาธิที่ว่ากุสลจิตมีอารมณ์เป็นดวงเดียว เรียกว่าสมาธินั้นหมายความว่าผู้ที่มีสมาธิจิตเนี่ยคือผู้ที่มีอารมณ์ <c oughs> อยู่ในจิตที่เป็นกุศลเพียงอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในที่นี้จะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้เช่นอาจจะมีปัทวีกสินคือดินเป็นอารมณ์ก็ได้อาจจะมีอาโปกสินคือน้าเป็นอารมณ์ก็ได้อาจจะมีเตเโชกสินคือดวงไฟเป็นอารมณ์ก็ได้ อาจจะมีวาโยกสินคือลมเป็นอารมณ์เดียวก็ได้หรือจะมีนีรกสินคือสีเขียวปีตกสินคือสีเหลืองโลหิตักสินคือสีแดงโอทาตกสินคือสีขาวกระสินที่เป็นสีขาวเหล่านี้ยเป็นอารมณ์หรือจะเป็นอาโลกากรสินคือแสงสว่างหรืออาตาตกกสินคือช่องว่างที่เป็นกระสินสิธิ์ในกระสินสิทธิ์อย่างเนี้ยเรามีกระสินอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่งเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละคือสมาธิเช่นอย่างในขณะที่ท่านทั้งหลายฟังคบญญาบรรยายอยู่นี้ท่านทั้งหลายไม่ได้นั่งหลับตาเราลืมตาเนี่ยเราจะทำสมาธิได้หรือไม่ถ้าบอกแม้เราลืมตาอยู่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั่งก็คือสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกันเช่นอย่างเราตั้งใจฟัง ขณะที่เราตั้งใจฟังนี้จิตอยู่กับเสียงอยู่กับเนื้อหาของธรรมะอย่างนี้เราก็มีสมาธิจิตแม้เราลืมตาเราก็มีสมาธิแต่ว่าสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นปุศสนจิตท่านจำกัดเวลากุศลจิตทีม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งที่จำกัดก็เป็นกุศสจิตนั้นก็เพราะว่าสมาธินี้มีอยู่สองประเภท คือมีสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิที่ถูกมิจฉาสมาธิแปลว่าสมาธิที่ผิดสมาธิที่ผิดเนี่ยหมายถึงอกุศลกิจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างน่าเรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิ เ, าเช่นอย่างผู้ที่ปั้งความโลภไว้แล้วก็เพ่งพินิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ด้วยอํานาจของโลภจิต ที่เป็นอกุศลการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโลภจิตเป็นอารมณ์เช่นนี้อันนั้นก็เป็นโลภเช่นจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านสาวุชนนั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาจะดูเลขว่างวดหน้าเนี่ยออกเลขอะไรบ้างขณะที่นั่งหลับตานึกถึงตัวเลขเนี่ยจิตเนี่ยเป็นโลภตลอดเวลาเกิดเป็นสัมป ต, ติเลยความโลภเกิดขึ้นขอให้เลขตัวเนี่ยโผล่ขึ้นมาเถอะนั่งบริกรรมให้เลขโผล่เลย หรือมิฉะนั้นเราอาจจะนั่งหลับตาไปดูว่าคนที่ตายไปเนี่ยไปเกิดที่ไหนอยากดูอยากรู้อยากเห็นการอยากดูอยากรู้อยากเห็นอย่างเนี้ยเป็นโลภะจิตขณะนั้นจิตเป็นอกุศลถ้าท่านแท่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางที่ถูกแต่ว่าเป็นสมาธิในทางที่ผิดหรืออย่างในปัจจุบันเนี่ยมี สาธุชุมชนหลายๆท่านด้วยกันบางท่านที่ไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธิก็เข้าใจว่าเรื่องการใช้เวทมนต์คาถาอาคมต่างๆเนี่ยเพื่อผลทางใดทางหนึ่งเช่นอยากจะทำให้คนอื่นเคารักที่เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ใช้สมาธิบางคนก็บอกว่าสามีเนี่ยไม่กลับบ้าน ไปหาหมอนั่งทางในบอกว่าช่วยนั่งเรียกเขาให้กลับบ้านหน่อยเถอะให้ให้หมอนั่งทางในเนี่ยช่วยนั่งทางในเรียกให้กลับบ้านหน่อยเถอะว่าทำไงถึงจะกลับบ้านได้หมอก็นั่งนั่งเรียกให้กลับขณะที่นั่งเนี่ยหมอก็เกิดโลภะตลอดเวลาเพราะว่าหมอได้ค้าจา้างค้าจ้างเรียกกลับเนียาบางคนลูกไปเรียนเมืองนอกไม่กลับไปหาหมอ บอกว่าหมอบอกต้องเสียพันบาทถึงจะเรียกลูกกลับได้เอาพันบาทก็เอาขอให้เรียกกลับเถอะแม่เรียกกลับไม่ได้ต้องไปจ้างหมอให้หมอนั่นเรียกกลับอย่างนี้ก็มีซึ่งสมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิหรือมิฉนั้นบางท่านใช้โพสจิตไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ด้วยความเครียดแค้นในศัตรูหรือคู่อาฆาต เช่นนั่งเพลงว่าขอให้คนคนนี้วิบัติประสบต่อความเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือที่นั่งเพื่อเสกสปูเข้าท้องคนโน้นเสกหนังเข้าท้องคนนี้ที่เรียกว่าทําคุณทําไส้อันเป็นเรื่องของมิจฉาสมาธิอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิเหมือนกันต้องใช้สมาธิแต่ว่าจิตนั้นเป็นโพสะมรจิตเป็นอกุศลระหว่างที่นั่งเพ่งอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยโมหะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้สมาธิไปในทางที่ผิดอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธิเกิดมาจากรากฐานของจิตที่เป็นอภุสลอันนี้ไม่ใช่หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งสมาธิเช่นนั้นก็เป็นเรวยความเศร้าหมองในทางจิตแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานี่สมาธิต้องเป็นกุสนกุศนในที่นี้ก็คือจิตนั้นจะต้องผ่องใสเป็นมหาปุสละจิต มหาปุสโสจิตในที่นี้คือจิตที่ผ่องใสแล้วจึงเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของสมาธิอย่างนี้จึงจะจักว่าเป็นสัมมาสมาธินี่เป็นความหมายของคำว่าสมาธิที่ท่านได้วางไว้ว่าหมายถึงปุสโสจิตที่มีอารมณ์เป็นดวงเดียวชื่อว่าสมาธิ ให้ท่านทั้งหลายจําไว้นะถ้าหากว่าใครถามสมาธิเนี่ยคืออะไรเราก็เขาต อ, ตอบว่าจิตที่เป็นอุสลมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพียงอารมณ์เดียวหรือดวงเดียวนั่นแนหะเรียกว่าสมาธิถ้าตามหลักประมาทท่านก็นเรียกว่าเอากัคคตาจิตเอกัคคตาจิตก็คือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตาอารมณ์แต่ว่าจิตอนนี้ต้องเป็นมหาอุสนจิตด้วย นี่คำว่าสมาธิคืออะไรนี่ให้เราเข้าใจเป็นเบื้องต้นท <c oughs> ีนี้ปัญหาข้อที่สองอัฐะของสมาธิอัฐะเนี่ยอัฐะนี่คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจอัฐะหมายถึงเนื้อหาเนื้อความหรือตัวสภาวะของสมาธิคืออะไรท่านกล่าวว่าคำว่าสมาธิเนี่ย คือความตั้งมั่นหรือความตั้งไว้มัน่นคำว่าตั้งไว้มั่นนี่อุปมาเหมือนกับเราเอาวัตถุที่แข็งแข็งไปตั้งเอาวไว้ที่มีน้ําหนักมากๆไปตั้งเอาวไว้มั่นคงไม่หวั่นไหวเราก็เรียกว่าวัตถุที่เราตั้งเนี่ยมั่นคงหรือเหมือนกับเราต อ, อกเสาต อ, อกเข็มลงในแผ่นดินถ้าหากว่าเสานั้นไม่สามารถที่จะโยกคลอนได้มั่นคงเป็นหนึ่งหน้าเราเรียกว่าเสาอันเนี้มั่นคงดีแล้ว หรือวัตถุอันใดที่เราตั้งไว้แล้วก็ไม่ขยับเคยื่อนไปไหนเราก็เรียกว่าอันนั้นมั่นคงดีแล้วจิตของบุคคลก็เหมือนกันถ้ากล่าวว่าจิตถ้าตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีอารมณ์อื่นใดมาก่อกวนก็ตามจิตอันนี้ก็ยังไม่ทอดทิ้งต่ออารมณ์ที่ตนเองจับมั่นอยู่อันนั้นนะ่ะคืออัตถะของสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ท่านอุปมาเหมือนกับภูเขา เหมือนกับภูเขาหินภูเขาหินเนี่ยหนักมั่นค ง, งแม้ว่าลมจะพัดมาสกิดทิศก็ตามภูเขานี้ก็ไม่หวั่นไหวข้อนี้ฉันใดจิตของผู้ที่มีสมาธิก็เหมือนกันย่อมไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่มากระทบการที่จิตไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่มากระทบนี้แหละคือตัวอัฐของสมาธิจิตเนี่ยอย่างหนึ่งทีนี้คำว่าตั้งไว้ก็คือตั้งไว้ในอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราไปตั้งไว้ เช่นเป็นต้นว่าถ้าหากว่าเราจเจริญปัตถวีกสินจะเพ่งดินคือกสินอันนี้เป็นอารมณ์จิตอันนี้จะต้องอยู่กับดินตลอดเวลาเมื่อเราเพ่งดูดินเราบริกรรมว่าปัตถวีกสินังปัตถวีกสินังหรือบริกรรมในใจว่าดินดินดินจิตจะต้องอยู่กับดินไม่ใช่เราบริกรรมดินแต่ว่าจิตไปสึกนึกถึงบ้านหรือว่าจิตไปนึกถึงคนโน้นนึก ถ, ถึงคนนี้ไม่ได้ต้องอยู่กับดิน การที่จิตอยู่กับดินซึ่งเป็นอารมณ์ของกสิสอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงในอารมณ์ชิ้นนั้นหรือเรากําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเมื่อเรากําหนดลมอยู่นับลมอยู่จิตนี้ก็อยู่กับลมที่เข้าที่ออกโดยไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์อื่นอย่างนี้ก็แสดงว่าตั้งมั่นดีแล้วหรือเมื่อเกิดปฏิภาณิมิตรจิตของเราอยู่กับปฏิภาณิมิตที่เกิดนั้น ไม่หวันไหวไปอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นตัวอัฏฐะของสมาธิเนี่ยโดยอัฏฐสมาธินี้ก็คือความตั้งไว้มั่นก็คือตั้งไว้ในอารมณ์อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่พุ่งสร้างตัดสายไปในอารมณ์ต่างๆคือไม่คิดอารมณ์หลายๆอารมณ์อันนั้นนะ่ะคือตัวอัฏฐะของสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของคําว่าสมาธินั้นโดยอัฏฐะมีอย่างไรทีนี้ปัญหาข้อที่สามลักษณะ ของสมาธิและท้หน้าที่ของสมาธิอาการที่ปรากฏของสมาธิและเหตุที่ทำให้สมาธิเกิดเนี่ยเกิดได้อย่างไรคือปัญหาข้อที่สที่เราจะศึกษาตอนนี้ก็คือเรื่องของลักษณะว่าสมาธิเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเหมือนกับเราจะศึกษาถึงเรื่องของคนเราก็ต้องศึกษากับว่าคนคนนี้มีลักษณะอย่างไร เช่นอย่างคนคนใดคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักมีคนมาแนะบอกคุณไปหาในแดงทีเถอะเราก็ต้องนึกก่อนว่าในแดงเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรทําอย่างไรเราจึงจะพบในแดงและรู้จักในแดงเราต้องรู้ลักษณะก่อนว่าถ้าในแดงมีลักษณะรูปร่างอย่างนี้แล้วก็หรือถ้าเราพบคนที่มีรูปร่างอย่างนี้แล้วก็นั่นอะถึงถามแต่ว่าชื่อในแดงใช่ไหมถ้าเรารู้ลักษณะอย่างนี้เราไปถามเราก็อาจจะพบในแดงโดยถูกต้องได้ สมาธิก็เหมือนกันเราต้องศึกษาว่าลักษณะของสมาธิเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้รู้ว่า อ, อ๋อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเพราะว่ามีลักษณะอย่างนี้คำว่าสมาธิเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนั้นท่านอธิบายว่าคำว่าสมาธินั้นมีความไม่ฟุ้งซ้างเป็นลักษณะ มีความไม่ฟุงองออฟ้งซ่านคำว่าฟุ้งซ่านเน brand, ี่ยท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจใ ห, หมายถึงจิตวุ่นวายคิดถึงอะไรหลายๆอย่า ง, dreams, Hiç, ง ain, คิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องในอนาคตแต่เราคิดถึงเรื่องราวหลายๆอย่างมากมายเนี่ยเป็นอาการฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นอาการของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเเป็นลักษณะของสมาธิที่จิตไม่ฟุ้งซ่านน่ะเป็นลักษณะของสมาธิ ทีนี้หน้าที่สมาธิมีหน้าที่อย่างไรต่าบอกสมาธิมีการกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นกิจจรสคือเป็นหน้าที่ของสมาธิมีการกำจัดความฟสสุ้งซ่านก็คือความวุ่นวายในจิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมาธิส่วนอาการที่จะปรากฏต่าบอมีความไม่หวั่นไหวมีความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ เป็นอาการปรากฏประทัยฐานคือเหตุที่สมาธิเกิดนเกิดได้อย่างไรถ้าบอกสมาธิจะเกิดได้เพราะมีความสุขเป็นประทัยฐานให้เกิดขึ้นความสุขเป็นประทัยฐานให้สมาธิเกิดในประเด็นนี้ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียดที่ท่านกล่าวว่าสมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะนั้น ตัวผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมจะไม่คิดอารมณ์หลายๆอารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งคนที่มีอารมณ์หลายๆอารมณ์เนี่ยคือคนที่ขาดสมาธิจิตเช่นอย่างคนวิปลจริตหรือคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองไว้ไม่ได้อย่างเนี้มีอารมณ์หลายๆอารมณ์และความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างหนึ่งอันตรายนั้นอาจจะเกิดได้ทั้งทางจิตและทางร่างกาย อาตมาอ่านหนังสือพิมพ์จากสถิติของจิตแพทย์ที่ได้ให้สถิติไว้เกี่ยวกับพลเมืองในประเทศไทยว่าปัจจุบันนี้วิกลจริต ก, กันมากคือคนบ้ามีมากจิตแพทย์ได้สำรวจรู้สถิติว่าท้ายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเลิกไปแล้วประชาชนคนไทยเนี่ย 1,000 พันคนจะมีวิกลจริตเพียงหนึ่งคนแต่ปัจจุบันนี้มีสี่ในหนึ่งพันเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามเท่าแสดงว่าคนวิกลจริตมีมากขึ้นต่อจำนวนพลเมืองหนึ่งพันมีอยู่สี่คนนี่พูดถึงพลเมืองในประเทศไทยนะส่วนในประเทศอังกฤษนี่เขาบอกว่าบนรถเมล์คันหนึ่งจะมีคนสติไม่ดีอยู่สองคนบนรถเมล์คันหนึ่ง พระเภรคำหนึ่งก็เห็นค่าจะประมาณห้าสิบที่นั่งอย่างมากห้าสิบที่นั่งสองคนก็แสดงว่าร้อยต่อสี่แต่ว่าเมืองไทยหนึ่งพันต่อสี่เมืองนอกหนึ่งร้อยต่อสี่และการสถิติที่เราได้จากองค์การอานาไมโลกนั้นประเทศไหนก็ตามที่จเจริญมากในด้านวัตถุประเทศนั้นมีคนวิกลจริตมาก แม้สติติที่กล่าวนี้ก็เช่นเดียวกันในประเทศไทยคนวิกลจริตมีมากในที่แออัดที่ประชาชนอยู่แน่นแน่นเช่นอย่างในกรุงเทพหรือในจังหวัดที่มีประชาชนอยู่แออะในชุมชนเหล่านี้จะมีคนวิกลจริตมากที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมอกวลให้เกิดความคุ้งซ่านในจิ ทำให้เราเนี่ยหาความสงบในจิตใจได้ยากถ้านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นใดก็าตามจะเป็นในบ้านหรือในหมู่บ้านที่เราอยู่ถ้าว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สงบเราเองก็จะมีจิตใจไม่สงบไปด้วยผู้ที่ขาดการสุดผลจิตก็จะวุ่นวายใจไปด้วย และผล <Yeah. S 1> สุดท้ายบุคคลที่อยู่ในที่วุ่นวายเช่นนี้มีปัญหามากๆอย่างนี้เป็นคนวิกลจริตมากถ้าไม่วิกลจริตก็มักจะเป็นร่องทางประสาทไม่ค่อยสมบูรณ์เช่นเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนหงุดหงิดทําอะไรก็เอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เยประเภทเนี้มีมากนอนไม่หลับและผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนพิการทางประสาทซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเกิดขึ้นจากสังคม และเราก็สังเกตดูได้ว่าบุคคลเหล่านียส่วนมากก็เป็นคนที่ขาดการฝึกฝนในเรื่องจิตมาก่อนถ้าหากว่าทำไว้ก่อนแล้วเชื่อแน่ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้ปัจจุบันนี้ที่เราไม่เข้าใจกันก็คือบางทีเราเข้าใจว่าคนที่คนที่วิปนลจริตเนี่ยคือคนที่ทำสมาธิคนที่มาฝึกทางจิตซึ่งเราไม่เข้าใจเลยว่าก่อนที่คนคนนี้จะเข้ามาฝึกจิตนะ่ะจิตเขาแย่มาแล้ว คือสติไม่เคยดีอยู่แล้วแล้วก็มาฝึกสมาธิเข้าไปอีกเมื่อฝึกสมาธิผิดเข้าจิตก็ยิ่งไล้เขวหนักขึ้นยิ่งไปใหญ่แล้วมาโทษว่าทำสมาธิไม่ดีจิตจึงเสียความจริงแล้วก็เพราะว่าจิตที่เสียมาก่อนประสานไม่ดีมาก่อนและจึงจะมาทำสมาธิอันนี้เป็นปัญหาอยู่เหมือนกับคนไข้ที่จะไปโรงพยาบาล โรควางอย่างมันแย่เต็มทีแล้วไปถึงก็ไปตายที่โรงพยาบาลเราจะบอกว่าแม้โรงพยาบาลเนี่ยไม่ดีเหมือนกับโรงพ่าสบาลบ้างคนมาประตายเลยที่ตายเพราะว่าคนไข้หนักไปแล้วไปถึงก็ไปตายถ้าหากเราป้องกันไป ก, ก่อนก็คงจะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นในเรื่องความวิกลจิตก็เหมือนกันเรารู้สติติแล้วเราก็เกิดความเป็นห่วง เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมที่สงบเยือกเย็นทำไมคนจึงวิกลจริตมากขึ้นทั้งๆ ท, ที่เราก็มีพระพุทธศาสนาอยู่เป็นหลักที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ที่ประสบต่อปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาแล้วก็ไม่ได้ใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นและตัดสินไม่ได้หรือไม่สามารถจะระงับอารมณ์ระงับความวุ่นวายใจให้สงบลงได้ปล่อยให้จิตเนี่ยวุ่นวายมากขึ้นบางทีก็กระทบกระเทือนกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างกระทนหานตั้งตัวไม่ติดผลสุดท้ายก็กลายเป็นวิกลจริตไปหรือบางทีความทุกข์ที่บีบคั้นมากๆเนี่ยก็ทาให้คนวิกลจริตได้ เพราะว่าคนที่มีความทุกข์ทางกายนี่ก็ทำให้จิตใจเกิดความฟุ้งซ่านด้วยเหมือนกับเราไปสังเกตดูคนที่ป่วยคนป่วยนี่เป็นคนใจน้อยอะไรกระทบกระเทือนนิดนึงก็รู้สึกหวั่นไหวง่ายจิตนี่จะหวั่นไหวง่ายฉะนั้นถ้าคนไหนก็ตามมีความทุกข์ทางกายอยู่เช่นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่คนคนนี้มักจะใจน้อยและมักจะใจเศร้าหมองอยู่เสมอต้องคอยเอาอกออกใจ คอยพนาวพนา อ, อยู่แล้วก็จึงจะอยู่อย่างสมบได้ถ้าขาดคนเอาใจไปแล้วก็ยิ่งจะมีอาการหนักขึ้นเรื่องทางกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นทางจิตใจในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาเกิดขึ้นจากสังคมด้วยเพราะว่าเราอยู่ในที่เจริญมากปัญหาในสังคมก็มีมากเหมือนกับท่านทั้งหลายบางทีบางคนเนี่ย ตำแหน่งหน้าที่การงาน บ, างบับงคับบังคับเนี่ยคือบังคับให้ตัวเองจะต้องเข้าสู่สังคมการเข้าสู่สังคมกับมนุษย์นี่ถ้าหากว่าสังคมนั้นมีแต่สัตบุรุษหรือผู้ที่อยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนมีศีลธรรมดีทั้งนั้นก็เป็นกุศลไปแต่ถ้าสังคมอันใดขาดศีลธรรมแต่ละคนเนี่ยไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจ คนที่เข้าสังคมมากก็จะมีเรื่องมากมีปัญหามากท่านทั้งหลายจสังเกตดูได้ว่าเราครบคนมากเรื่องก็มากคบคนน้อยเรื่องน้อยคนที่ไม่เข้าสังคมเลยเรื่องไม่เคยมีเท่าไหร่แต่เข้าสังคมมากเรื่องก็มากเนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญเพราะฉะนั้นคนอยู่ในที่เจริญจิตจึงฟุ้งซ่านมากกว่าคนที่อยู่ในชนบท เขาอยในชนบทจิตใจสงบไม่วุ่นวายใจเรื่องที่จะคิดก็ไม่มากเหมือนกับอยู่ในที่ชุมชนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะมีเรื่องคิดมากกว่าอยู่ในชนบทเพราะชนบทไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับธรรมชาติมีงานก็ทำไปทำไร่ทำสวนก็ทำไปหรือเรามีหน้าที่อะไรก็ทากันไปตามหน้าที่ในครอบครัวแต่ถ้าอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้ต้องคิดมาก แม้ปัญหาเรื่องสามีพันยาก็มีเรื่องให้คิดมากเพียงกลับบ้านค่ำนี่พันยาก็นั่งคิดตั้งหลายชั่วโมงแหละกลับบ้านติดเวลาหรือสามพันยากลับบ้านติดสามีก็ต้องนอนไกนาา่นอนผ่กคิดตั้งหลายชั่วโมงแหละเธอไปไหนกับใครก็ไม่รู้เป็นปัญหาทึบแม้โยมอายุมากแล้วแก่แล้วก็ยังเป็นทุกข์โยมผู้หญิงบางคนปลารโคบอกแม่แก่แล้วก็ยัง ยังหายไปเรื่อยๆบ่อยๆไม่รู้ไปไหนบางทีก็ยังชอบไปอาบน้ำบ้างอะไรบ้างมาเขาบอกธรรมดานี่คนยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องหาความสุขเมื่อเมื่อยก็ต้องหาหมอนวดเป็นของธรรมดาก็ทํางานไม่นวดให้ก็ต้องไปหาหมอนวดนอกบ้านอย่างเนี้ก็คิดแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาในครอบครัวขึ้นมาแต่มันนอกไม่มีนะ มาน้อกนี่ถ้าหายไปก็ น, นู่นอะไปนั่งคุยกับสมภานที่วัดไปถกปัญหาธรรมะกับพระหรือไม่นั่งคัดคอพระฉันเล่นวันหนึ่งวันหนึ่งสบายใจปไปแต่ถ้าหากว่าเหมือนอย่างโยมมาวัดม ห, หาธาตุก็สบายใจเหมือนกันระโยมบางคนก็มานั่งเถียงกัน ท, ท, ที่โคนต้นอโศกตัมมะว่า ด, ดีไม่ได้มาเรียนเท่าไหร่หรอกในต้นอโศกอะมานั่งขัดคอกันอนรสมารู้รู้ตั้งแต่กอตั้งขึ้นมาแล้ว สำหรับพยโยมมานั่งขัดคอกันนั่งเถียงกันคือต่างคนต่างก็มีความรู้กันมาทั้งนั้นและต้องมาเถียงกันพิษบ้างสุขบ้างว่าไปเรื่อยเพลินในวันหนึ่งวันหนึ่งเสร็จแรกก็สบายใจกลับบ้านไปก็เป็นทางออกของอารมณ์อย่างหนึ่งดีเหมือนกันบางทีก็ไปนั่งขัดคอพระที่บุติ สมัยก่อนอนะาสนางานไม่มากก็พอที่จะนั่งคัดคอกับโยมได้มีหลายคนมานั่งคัดคออาสนาบ่อยๆกวจะคุยกันรู้เรื่องมันหลายชั่วโมงอย่างเนี้ยแต่นึกนึกสงเคราะห์ไปว่าโยมเนี่ยคงจะอยู่บ้านไม่ได้โยมที่บ้านคงจะบ่นเก่งแลนน้วก็หนีมาคุยกับพระบ้างอะไรบ้างบางคนมาอย่างงั้นบอกลาคาญอยู่บ้านโยมพี่หญิงก็บอกลาคาญเดี๋ยวไอ้หลานคนนั้นมันจะเอาอย่างงั้นไอ้หลานคนนี้จะเอาอย่างนี้ ลูกคนนั้นทําไม่ถูกใจข้าวัดคุยกับพระดีกว่าสบายใจไปในชนบทนะส่นนมาก็ไปวัดปัญหาเรื่องนี้จึงไม่เกิดแัะนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าคนในชนบทเขาไม่ค่อยวิกลจริตที่จะนอนไม่หลับนี่ไม่มี